จบเสียงงานแววเสียงสวรรค์เล่มหนึ่งพรรัตนสุวรรณอ่านโดยอริยะคุณเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วนแนะนําให้ฟังเสียงงานชุดนี้ให้ครบทุกเล่มนะครับและจะดียิ่งขึ้นหากฟังเสียงงานที่จัดพิมพ์โดยสำนักค้นคว้าทางวิ ญ, ญญาณทั้งหมดซึ่งจะทําให้ท่านเข้าใจได้ลึกซึง้งและถูกต้องตรงธรรมมากขึ้นอย่าลืมว่าความเข้าใจเรื่องชีวิตหลังความตายที่ถูกต้องนั้นไม่ใช่แค่รู้ว่ามีจริง แต่ต้องรู้เข้าไปถึงเรื่องของวิบากกรรมจนเข้าใจไปถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยเฉพาะในหัวข้อที่ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปซึ่งเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงที่เป็นการศึกษาเพื่อความเข้าใจในจุดเริ่มต้นที่จะขยายเป็นองค์ความรู้ในหลักธรรมอื่นได้ง่ายและถูกต้องตรงทางต่อไปนะครับเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพผู้ร่วมจัดทาเพิ่มเติมอีกดังต่อไปนี้นัทธาลิมปิสุขปัญญาโกจันพลพรณพิวัฒนาเสวีครอบครัวสุธรรมบุตรรัตนนพุ่มพวงนัทธมนทนาตรัยสิทธันนาสราสืบุณเปรมิกาศิรณิชกุลพัทธิราช่างพินิษ กันยนต์ทองบุญไพจิตงามสุริยพง์นภัชชาถวินกมลพัฒวิชานมลธาทิบกุลนภพารพปัญญารัตนคุณากรพดเคลือบบุญร่วมกับอีกหลายท่านซึ่งไม่ประสงค์ออกนามขอทุกท่านเจริญแต่ในทางที่เป็นกุศลยย่งขึ้นไปนะครับสับพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการใหทั้งปวง